อืมก็ในเวลาฟังธรรมเนาะอืมมันเหมือนเป็นเป็นอาหารเสริมนะอืมการฟังธรรมเป็นเหมือนอาหารเสริม <c oughs> ให้กับการปฏิบัติธรรมเนาะอืมนะการสวดมนต์ก็ดีเนาะเนะเราจะเรียกว่าทำวัดเดอเราจะ สวดมนต์บทอื่นๆก็แล้วแต่ก็คือที่จริงก็คือฝึกให้เรามีสติมีสมาธิแล้วก็อาจจะเกิดปัญญาจากการได้พิจารณาในบทสวดมนต์ไปด้วยเนาะอย่างเราสังเกตเวลาเราทำวัดนะเราเห็นถ้าเราจะดูมีสติไปเลยก็ได้นะเราก็เห็นเห็นร่างกาย ที่มันนั่งท่าไหนพนมมืออย่างไรปากขยับอย่างไรนะเราก็จะเห็นร่างกายที่เออมันก็ทำงานของมันเนาะออแต่บางทีเราก็จะเห็นจิตใจเออบางทีจิตใจก็อยู่กับการสวดมนต์นะบางทีจิตใจก็ไม่อยู่กับการสวดมนออต์นี่นีมันจะเห็นว่าหรือบางทีนะปากก็ขยับนะสวดถูกนะแต่ใจก็ไปไหนไม่รู้นะ มันเป็นอัตโนมัติมากเลยอืเหมือนกับเราทํางานอย่างอื่นเลยนะเรากินข้าวเราขับรถนะเราแปรงฟันแต่งตัวนะมันทําถูกนะแต่จิตใจก็ไปไหนก็ไม่รู้นะนการสวดมนต์ก็เหมือนกันนะนรแรกๆก็อาจจะพอเราตั้งใจที่จะสวดมันก็อาจจะอยู่ตรงนี้เยอะหน่อยแต่พอสักพักนึงงนะ่ะใจก็อาจจะไปที่อื่นนะ เราก็อาศัยการสวดมนต์เป็นเป็นกรรมฐานนะเออใจไปที่อื่นนะอะอ่กลับมากลับมามีสติใหม่อันนี้อืมอันนี้ยถ้าเราใช้ใช้การสวดมนต์เป็นกรรมฐานนะเราก็จะได้สตินะไม่ใช่สวดมนต์เพื่อเพื่อหวังให้ได้อะไรเนาะหรือถ้าเราสวดมนต์ไปนะอาจจะมีการแปลนะมีความหมายนะ ให้เราได้พิจารณาทมในขณะที่เราสวดไปด้วยเราก็จะได้เอืมเราก็จะได้เห็นนะเห็นเห็นธรรมะที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นนะอย่างเราพิจารณาร่างกายเนาะสามสิบสองประการนะถ้าว่าเป็นจริงเนาะคนเราเนะี่ยที่มันพอดูกันได้ก็เพราะมีหนังหุ้มนะแต่บางคนหนังหุ้มก็ดูไม่ค่อยดีสวยเท่าไหร่หรอกนะ ต้องมีเสื้อผ้าใสใช่ไหมมันก็มันก็จะ ด, ดูดีขึ้นสักหน่อยนะคือถ้ า, าอยู่ใต้ผิวหนังลงไปเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามเนาะเป็นเลือดเป็นหนองเป็นตับไตไตพุงนะเป็นเอ็นเป็นกระดูกอะไรต่างๆนะซึ่งเราเองนะกับนางงาม จักรวาลก็มีเหมือนกันเออเพียงแต่ว่าเขาอาจจะสูงกว่าผิวขาวกว่าหรือหุ่นเป็นแบบที่ปัจจุบันนี้เขานิยมนะแต่จริงข้างในก็ไม่ได้แตกต่างกันนะพอเราพิจารณาแบบนี้นะความหลงรูปหลงในร่างกายหลงในรูปนะมันก็จะจืดจางลงไปนะ มันก็ไม่ได้แตกต่างกันนะอืมแต่คนเราเนี่ยหลงรูปมากนะหลงรูปร่างหน้าตาสดทรงหรืออะไรก็แล้วแต่นะเราก็หลงในรูปของคนอื่นบ้างบางทีเราก็หลงในรูปของตัวเองนี่แหละนะหลงว่ามันมีตีนกาเพิ่มขึ้นโอ้เราแก่แล้วเนาะหลงว่ามีผมงอกมากขึ้นนะย้อมผมดีไหมนะ หลงว่าผิวมันเหี่ยวนะผิวมันดำนะทำยังไงถึงจะดูดีขึ้นนะที่จริงถ้าเรายอมรับมัมเป็นธรรมดานะนะมันก็เป็นธรรมดาไม่ต้องไปทำอะไรมากบารุงก็แค่บารุงแบบ ท, ทั่วไปไม่ต้องว่าพิเศษอะไรเนะี่ยเราก็ไม่ต้องไปเหนื่อยนะเพราะว่าบางทีเพราะความกนะังวลเนาะกังวลกังวลใจกลัวคนอื่นเขาจะมองอยากไร ที่จริงไม่สําคัญเท่ากับตัวเราเองละมองตัวเองอย่างไรนาะเหมือนคนสมนัย น, ะนั้นนะบางทีเครียดว่าตัวเองอ้วนแบบนี้นนะคนอื่นว่าเราอ้วนบ้างนะแต่บางทีเราเองก็ว่าตัวเองอ้วนนะเราก็เลยเครียดนะเราก็เลยอยากจะไม่อยากอ้วนนะหรือเขาว่าเราขาวเกินไปว่าเราดําเกินไปนะอะ มันที่จริงเนี่ไม่ใช่เพราะคนอื่นเขาว่าหลักนะแต่เพราะเราให้ค่าตัวเองอย่างไรนะเราก็เลยเป็นทุกข์บางคนภายนอกนะสมมติสมมติว่าก็ดูดีอยู่นะแต่พอคนอื่นนะเขาว่าเรามีตับอย่างงั้นอย่างนี้นะเราก็วันไหวนะจิตใจก็วันไหวแต่การที่เราพิจารณาร่างกายนะอย่างเป็นเป็นาธาตุก็ดีนะหรือว่าเป็นอวัยวะ น้อยสามิบสองประการก็ดีนะมันก็ทำให้เราเรียกว่าไม่ต้องวิตกกังวลกับเรื่องนั้นมากนะก็คะแค่ดูแล ร, ร่างกายไปตามสุขภาพนะไปตามอาการเฉยๆนะไม่ต้องใช้ร่างกายหรือว่าต้องหาอะไรมาบารุงประดับตกแตกจนกระทั่งเรียกว่านะกลายเป็นสุขกลายเป็นทุกข์นะเพราะว่าเพราะร่างกายนะ แต่ที่จริงเราถ้าเรามีถ้าเราพิจารณาสักหน่อยที่จริงเราใช้ร่างกายนะ เ, เราเพียงแค่เรามาอยู่เพื่อใช้ร่างกาย เ, เหมือนเป็นสภาวะชั่วคราวที่เราอยู่กับร่างกายนี้เนาะอย่างมากก็ร้อยปีอย่านาะอย่างน้อยก็ไม่รู้กี่ปีก็ไม่เท่ากันนะเราก็มาใช้ร่างกาย แต่เราจะใช้ร่างกายเราไปเพื่ออะไรอย่างนี้เนาะเนี่ยเราก็มาพิจารณาแบบนี้นะอืหลายคนก็บอกนะี่ยชีวิตเรานะใช้ซะนะก็ใช้ส่วนใหญ่ใช้เป็นทางเอ่อสนุกสนานนะเพลิดเพลินนะชีวิตนะคิดว่าเป็นของเราก็ใช้ซะแต่บางทีก็ดืูว่าเราใช้ชีวิตนะแต่ทําให้พ่อแม่เอ่อกังวลใจเหนื่อยร้อนร้องไห้ ทำให้คู่ชีวิตของเรานะเป็นทุกขนะ์ทำให้คนที่รักเรานะก็เป็นห่วงนะเราบอกว่าชีวิตเราใช้ซะนะแต่เราก็ใช้ชีวิตซะคนอื่นเป็นทุกข์ไปด้วยแล้วตัวเองก็พอจะเดือดร้อนไปด้วยแันนั้นคือคนทั่วไปเนาะแต่พวกเราเองนะถือว่าเป็นคนกลุ่มน้อยนะชนกลุ่มน้อยนะที่สนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมจริงๆเนะี่ย ถือว่าเป็นคนกลุ่มน้อยของโลกนี้นะเพราะคนบนโลกนี้เนี่ยก็ยังสนุกสนานเพลิดเพลินไปหรือลงไปกับโลกอยู่แต่คนกลุ่มน้อยเนี่ยแหละนะที่มามาสแสวงหาธรรมะนะสแสวงหาทางหลุดพ้นสแสวงหาทางที่จะทำชีวิตให้ทุกข์น้อยลงหรือสแสวงหาการมีชีวิตที่สงบสุขที่แท้จริงนะ พวกเราถือว่าเป็นคนกลุ่มน้อยนะถ้าแตะไปเปรียบเทียบกับคนทั้งโลกนี้นะคนที่สนใจปฏิบัติทำจริงๆเนะี่ยมีไม่มากหรอกนะนั้นไม่ต้องไปหวั่นไหวว่าเราไม่เหมือนคนทั่วไปนะยอมรับเลยเราไม่เหมือนคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เขาไม่คิดแบบนี้นะเขาไม่ทำแบบนี้นั้นไม่ต้องแครนะ์ที่คนอื่นเขาจะมองเราแปลกไปนะเราก็แปลกจริงๆแหละถ้าในสายตาเขานะ อืมอ่แต่เรารู้ว่าเราแปกเราแตกต่างหรือว่าเป็นคนกลุ่มน้อยแต่เป็นกลุ่มที่ที่เรียกว่ามาใช้ชีวิตอย่างเรียกว่ามีคุณค่านะมาใช้ชีวิตอย่างสแสวงหาว่าทาอย่างไรนะใจถึงจะทุกข์น้อยน้อยลงแบบนี้แต่สิ่งที่เราทำคือแบบนี้นะบางทีถ้าเราวางใจแบบนี้ถูกนะ เราก็จะแคร์คนอื่นน้อยลงนะเราก็จะนี่แหละก้มหน้าก้มตาทำในแนวทางที่เราเชื่อมากขึ้นนะแม้บางคนจะมองว่าเราเสียเวลามาเดินทำไมเนะี่ยกลับไปกลับมานะมาอยู่วัดทำไมห้าหกวันนะไม่เห็นได้งานอะไรเลยนะแต่เราเองเนะี่ยรู้เนาะว่าเรามาเพื่อนี่แหละเพื่อสร้างสตินะเรามาเพื่อนะ เมื่อขัดเมื่อเพื่อขัดเก่ากิเลสในใจของเราเนาะเรามาเพื่อเนี่ยแหละนะให้เวลากับการดูแลกายดูแลใจจริงๆเนาะนะถ้าเรามาเพื่อตรงนี้นะเดินจงกรมหรือยกมือสร้างจจงหวะอาจจะไมไ่ทำให้เราได้เงินเพิ่มขึ้นนะแต่มันทำให้เราอยู่กับตัวเองได้มากขึ้ น, นการฝึกจริงๆก็คือฝึกเนี่ยให้อยู่กับตัวเองให้ได้นะ อยู่กับตัวเองโดยที่เรียกว่าเป็นมิตรกับตัวเองได้นะสามารถที่จะคือบางทีเราบอกว่าเรารักตัวเราเองนะแต่บางทีเราอยู่กับตัวเองไม่ค่อยได้นะเวลาอยู่กับการไม่มีอะไรทําเนี่ยมันอยู่ยากมากเลยนะคนสมัยนี้นะแต่เราอยู่แบบไม่ต้องไปทําอย่างอื่นนะนะอยู่กับการเนี่ยแหละอยู่กับดูร่างกายนะ บ่อยๆนะมันมันเหมือนทำนะแต่มันไม่ต้องอาศัยวัตถุอย่างอื่นอนะ่ะบางทีเรามีเครื่องอยู่ด้วยโทรศัพท์บ้างด้วยโทรทัศน์บ้างด้วยเพื่อนบ้างด้วยงานอันดีอดเกเยอะแยะมากมายบ้างนะบางทีเราไปอยู่แบบนั้นนะแต่การภาวนาเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าไม่ต้องมีอะไรนะเราก็อยู่ได้มันถ้าเรามีเครื่องอยู่จริงมันง่ายมากนะคือ แม้ไฟดับนะไม่มีไฟไม่มีคือพอคนสมนัยนี้พอไม่มีไฟเนี่ยมันไม่สามารถทำอะไรได้อีกหลายอย่างมากแต่ถ้านักภาวนานะไม่มีไฟนะก็ปฏิบัติทาได้แล้วก็นั่งยกมือนั่งพิกมือนะหรือนั่งดูลมหายใจนะดูกายดูใจไปนะไม่มีไฟก็ไม่เป็นไรนะฝนจะตก ก็ไม่เป็นไรนะก็หาที่ที่ไม่เปียกฝนแล้วก็เนี่ยเดินจงกรมปฏิบัติธรรมของเราไปนะคือมันจะทำให้เราเรียกว่าคือแม้สภาพแวดล้อมเป็นแบบไหนนะแต่การภาวนาเนี่ยมันทำได้ทุกที่ทุกโอกาสาจริงๆนะแต่การทำอย่างอื่นเนี่ยมันต้องอาศัยวัตถุสิ่งของเวลาหรืออะไรต่างๆที่มันช่วยเยอะมากนะแต่การภาวนาเนี่ยไม่ต้องอาศัยอย่างอื่นเลยนะ แค่มีกายกับมีใจเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะไม่เลือกกลางวันไม่เลือกกลางคืนนะเนี่ยเราพอเราฝึกอยู่กับตัวเองแบบนี้บ่อยๆนะอาจจะมีเบื่อบ้างอาจจะมีสุขบ้างอาจจะมีง่วงบ้างอาจจะมีตื่นบ้างแต่เราก็เนี่ยพยายามที่จะเรียกว่ารู้สึกตัวอยู่ในทุกขณะเนาะเวลามันง่วง เวลามันสุขเองก็ไม่เข้าไปจมในความง่วงแล้วก็ไม่เข้าไปจมในความสุขนะให้เป็นผู้เห็นเห็นว่ากายมันง่วงนะหรือเห็นว่าใจมันสุขนะให้เป็นผู้เห็นแบบนี้นะคือเราไม่เข้าไปจมนะนะถ้าขาดตติเนี่ยคือเข้าไปจ ม, ห, มหรือแม้แต่การที่คนทั่วไปเข้าใจว่ามีสมาธินะ แต่ถ้าเป็นสมาธิที่ขาดสติมันก็จะเข้าไปจมเหมือนกันเข้าไปจมในความสุขเข้าไปจมในความสงบนะเข้าไปจมในความว่างนะเราอาจจะเรียกว่านี้คืออาการของสมาธินะแต่เป็นสมาธิแบบเข้าไปอยู่นะเข้าไปจมเข้าไปแช่นะสมาธิแบบนั้นนะไม่เกิดปัญญานะแต่อาจจะทำให้รู้สึกสบายรู้สึกมีความสุขนะ แตม่มันเหมือนคล้ายๆเหมือนน้ําแข็งนะตั้งไว้อยู่ข้างนอกนะเดี๋ยวมันค่อยๆละลายนะมันก็ไม่สามารถที่จะคงที่ได้จริงๆหรอกนะสมาธิแบบนั้นกานที่เราไปจมไปแช่อยู่ตรงนั้นมันก็มันก็แค่ชั่วงขนาดหนึ่งแ ต, แต่การฝึกสติของเราเนี่ยคือเราฝึกให้เป็นผู้เห็นนะ นั้นกันกันเห็นการดูเนี่ยมันจะไม่เลือกอารมณ์นะอารมณ์จะดีหรือไม่ดีจะสุขหรือทุกข์เนี่ยไม่เป็นไรนะดูทุกอย่างที่มันเป็นจริงนะแล้วอารมณ์นะมีค่าเท่ากันคือค่ามันก็แค่เพียงแค่ว่าเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนะมีค่าเท่ากันนะพอเรามองแบบเนี้ยต่อไปนะไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ดีไม่ดีนะ ล้วนไตรักทั้งนั้นเลยนะไตรักเนี่ย يف. ไม่เลือ ก, กไม่เลือกกุศลไม่เลือกอกุศลนะไม่เลือกทั้งตัวหลงแล้วก็ไม่เลือกทั้งตัวรูนะเป็นไตรักทั้งนั้นเลยนะเนี่ยพอเราเห็นมนะันโอมันก็ไม่มีอะไรที่เหนือกดไตรักนะเออมันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงนะความไม่เที่ยงนะที่แสดงนะทั้งวันทั้งคืนนะนะมันเปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยงนะ เพราะมันมีความทุกข์บีบคั้นนะหายใจเนี่ยมันหายใจเข้าไปนะมันก็ดูเหมือนหายใจเข้าไปตอนแรกก็สบายเนะแต่เขาไปนานๆมันก็บีบคั้นนะมันอึดอัดนะมันอยากจะหายใจออกแบบนี้เนาะมันบีบคั้นแบบนี้มันคั้นว่ามันไม่สามารถที่อยู่ในสภาวะเดิมได้นานๆหรอกนะมันต้องบีบคั้นต้องเปลี่ยนนะกระพริบตา ดื่มตาก็เหมือนกันเราจะดื่มตาค้างตลอดมันก็บีบคั้นให้เราต้องอยากกระพริบตาเลยนะไม่มีอะไรที่มันจะคงที่แน่นอนนะเพราะว่าทุกอย่างมันมีความทุกข์ที่บีบขั้นแต่ถ้าเราดูร่างกายเนี่ยเราจะเห็นทุกข์ได้ชัดนะร่างกายเนี่ยมันไม่ได้สุขอะไรเท่าไหร่เลยนะมันมีแต่ทุกข์นะแต่มันเปลี่ยนไปเรื่อยนะนั่ง แบบนี้ก็ปวดหลังแล้วปวดขาแล้วปวดเอวแล้วนะแล้วก็เปลี่ยนอนะมันก็รู้สึกสบายขึ้นนะสักพักนึงก็ปวดอีกแล้วเ อ, อก็เจ็บอีกแล้วนะก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะเนี่ยความทุกข์นะมันบีบนะความทุกข์มันมันเรียกว่ามันมันอยู่ในร่างกายนั่นแหละนะมันไม่ได้หนีไปไหนนะอันนี้คือเราก็ถ้าเราดูร่างกายนะเราก็จะเห็นทุกข์ได้ชัดนะ เห็นทุกได้ช hmm. pues, ัดนะถ้าเราดูจิตใจเนี่ยเห็นความไม่เที mm ่ยงได้ชัดมากนะจิตใจมันเปลี่ยนนะในเร็วนะเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ไม่คิดนะเราจะเห็นว่าจิตใจเองก็เป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้นะมันจะคิดก็คิดของมันเองนะแมมันจะคิดเรื่องอะไรเราก็ไม่รู้เนาะ เนี่ยจิตใจมันจะเห็นความไม่เที่ยงแล้วก็เห็นเห็นความไม่ใช่ตัวตนนะบังคับไม่ได้นี่ค่อนข้างชัดแต่จริงมันก็มีความเป็นทุกข์ด้วยแหละนะรวมทั้งร่างกายเองก็มีความไม่เที่ยงแล้วก็มีความไม่ใช่ตัวตนอยู่เนี่ยเหมือนกันนะแต่ถ้าพูดถึงการสังเกต ท, ที่ง่ายเนาะการสังเกตร่างกายเนี่ยจะเห็นทุกข์ได้ง่ายแล้วก็การสังเกตจิตใจเนี่ยจะเห็นความไม่เที่ยงแล้วก็ความไม่ใช่ตัวตนเนี่ยได้ง่าย แต่แล้วแต่ตบางคนนะบางคนก็อาจจะเห็นอย่างอื่นได้ง่ายกว่าก็ได้นะบางคนเห็นร่างกายจะเห็นความไม่ใช่ตัวตนง่ายก็ได้เพราะว่านู้สึกว่าเออมันก็เป็นของมันเองเนาะมันปวดมันเมื่อยมันเป็นของมันเองนะอ่ามันบังคับไม่ได้นะจะให้จะให้เมื่อยก็บังคับไม่ได้จะให้หายเมื่อยก็บังคับไม่ได้ก็แล้วแต่นะแต่ถ้าว่าไปรวมๆแล้วก็คือว่าในกายในใจเนะ โอ้มันเหมือนกันเลยนะมันคือตกอยู่ในสภาพของไตรักทั้งนั้นเลยเนาะเนี่ยพอดูแบบนี้นะมันจะรู้สึกว่ามันเกิดความจะเรียกว่าเกิดความคล้ายๆเบื่อหน่ายนะเบื่อหน่ายในในการที่ต้องดิ้นดลคนขวายหาอะไรที่มันไม่ใช่ของที่จะเป็นที่พึ่งจริงๆอะ่ะอืม คล้ายๆถ้าพูดถึงเรื่องทางโลกก็หาอยู่บ้างนะแต่แต่มันก็รู้ว่ามันไม่สามารถจะพึ่งอะไรได้จริงนะเพราะแม้แต่ร่างกายหรือจิตใจเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถจะพึ่งได้จริงๆเลยนะมาถึงว่าเนี่ยมันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะเนี่ยมันก็รู้สึกเบื่อหน่ายนะในสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่นเคยแสวงหาความสุขสนุกสนานนะ เคแสแงหาที่พึ่งจากคนอื่นนะจากสิ่งอื่นนะมันก็รู้สึกว่าให้ของพวกนั้นมันไม่แน่นอนนะมันจะมันจะรู้สึกว่ามันไม่แน่นอนเราจะพึ่งใครมันก็ไม่แน่นอนนะใครที่อยู่กับเราตอนนี้นะมันก็ไม่แน่นอนน่ะเขาจะจากเราไปวันไหนก็ได้นะจากเราไปเพราะว่าไม่ชอบเราแล้วก็ได้จากเราไปเพราะว่า เขาก็ต้องมีเหตุปัจจัยที่เขาต้องไปก็ได้หรือจากต่อไปเพราะว่าความตายก็ได้นี่คือมันมันจะรู้สึกว่าชีวิตมันไม่แน่นอนนะแต่บางคนพอเจอสภาวะนะี้ยมันจะรู้สึกกลัวสักหน่อยกลัวเพราะคิดว่าเราทําต่างๆเนี่ยเพื่อความแน่นอนของชีวิตเพื่อความมั่นคงของชีวิตนะเออ ม, มันจะรู้สึกแบบ พอพอเริ่มเห็นใตรักนะประพิมพประพายแล้วก็จะรู้สึกบางทีรู้สึกกลัวเพราะว่ามันรู้สึกชีวิตมันควบคุมไม่ได้อะมันเป็นอนัตตาเนี่ยมันมันแต่ก่อนคิดว่าชีวิตมันควบคุมได้นะหรือชีวิตมันเป็นของไม่เที่ยงนะเพราะเราคิดว่าเราเราสามารถมีการจัดการที่ทำให้มันเที่ยงทำให้เป็นอย่างที่เราต้องการได้นะ เราสามารถสร้างความสุขได้เราสามารถหนีความทุกข์ได้นะแต่พอมาเห็นตรงนี้นะชัดๆแล้วมันมันหวั่นไหวเหมือนกันนะโดยเฉพาะบางคนที่แต่ก่อนนะตัวตนใหญ่เนาะนะมีตัวเราเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาล น, นะทุกอย่างออกไปจากตัวเรานะคิดจากตัวเราจัด ก, การจากตัวเรานะพอเริ่มเห็นว่า ตัวเราจริงๆมันไม่มีเนะ่มันหวันไหวมากแต่ก็อย่าไปตกใจมากนะก็ยอมรับว่ามันรู้สึกวันไหวหรือรู้สึกกลัวนะก็ไม่ผิดนะหรือบางคนอย่างเห็นกิเลสตัวเองเยอะมันรู้สึกเหมือนทำไมมันเยอะขนาดนี้เนาะทำไมคิดได้เดีวขนาดนี้นะระโกขนาดนี้นะแต่ไม รู้สึกแบบนี้ไหมเนี่ยบางทีก็จะรู้สึกแบบรู้สึกแบบรับไม่ค่อยได้เหมือนกันนะแต่ก็อยากให้เข้าใจว่าที่จริงการเห็นแบบเนี้ยมันเริ่มถูกทางแล้วนะนะมันเห็นสิ่งที่มันเป็นความจริงนั่นแหละนะแต่แต่ก่อนเราไม่เคยเห็นนะเหมือนกับคล้ายๆเราไม่ได้เห็นร่างกายของเราข้างในเนาะเราเห็นแต่ข้างนอกที่มันเป็นหนังหุ้มนะ เป็นสิ่งที่ดูดีหน่อยแต่เราไม่ได้เห็นข้างในที่มันโสโครกเนาะอย่างาง่ายๆนะเวลาเราถ่ายอุจาระเนะี่ยพูดง่ายๆเวลาเราขี้นะเราก็ไม่ค่อยดูขี้ตัวเองนะใช่ไหมมันรู้สึกมันไม่อยากดูนะอืมแต่ถ้าดูจริงๆเน่ยมันก็ออกมาจากตัวเรานนะ่แหละใช่ไหมอืมหรือไม่แต่น้ำลายไม่แต่ขี้ตาเนีนะเราก็เวลาหรือน้ำมูกนะเราก็ไม่อยากดูนะมันรู้สึกเป็นสิ่งสโปรกนะ แต่จริงมันก็ออกมาจากร่างกายนี่แหละนะเวลาอารมณ์ที่มันไม่ดีก็เหมือนกันนะอารมณ์โศกปศกอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกมันไม่อยากดูมันรับไม่ได้นะแต่ขอให้เราฝืนใจดูสักหน่อยนะนะแล้วพอถ้าเราฝืนใจดูสักหน่อยเราจะยอมรับมันได้ว่าอืมอันนี้แหละเออไอตัวตนมันเป็นแบบนี้เนาะ ไอ้กิเลสเป็นแบบนี้เนาะไอ้ความหลงนะที่จะก่อนหลงนะว่าเป็นเราเป็นของของเรานะเป็นตัวตนของเราเป็นอะไรกิเลสของเราอะไรต่างๆเนะี่ยโอ้มันสร้างชีวิตมาเป็นแบบนี้นะแต่พอเราเริ่มเห็นมันมากขึ้นนะอืมเอมอ ม, มันหน้าจะเรียกว่าอะไรมันหน้าต้องขจัดออกแล้วแหละนะขจัดในที่นี้คือว่า ปล่อยให้ชีวิตเป็นแบบนี้มานานแล้วเนอะรู้สึกชีวิตเนี่ยมันเราเสียเวลามาเยอะนะรู้สึกชีวิตเนี่ยเรากว่าจะมาเห็นสภาพาวแบบนี้มันรู้สึกว่าโอ้ยมันจะเรียกว่าเสียดายเวลาก็ได้นะหรือว่ารู้สึกว่าอืมเราประมาทมาเยอะเนอะนะนะพอเราเห็นแบบนี้นะถ้าเรายอบน้บมันได้นะรู้สึกว่าอืมมัน เราปล่อยชีตมาแบบนี้ไม่รู้กี่พบกี่ชาติโชคดีแล้วนะที่มาเห็นโชคดีแล้วที่ได้รู้ทันมันนะมันจะรู้สึกว่าเออชีวิตที่เหลือเนะี่ยงานตรงนี้แหละคืองานหลักของเรานะงานอื่นเนะี่ยเป็นงานรอง <c oughs> งานทำอย่างอื่นเนะี่ยเป็นงานแบบเอาไว้เลี้ยงชีพบ้างนะเอาไว้อยู่กับสังคมบ้างนะ แต่งานหลักจริงๆเนี่ยคืองานขจัดกิเลสเอาไปจากจิตใจนี่แหละนะคืองานหลักซึ่งเป็นงานที่เราเราเสียเวลามานานลนะนะและชีวิตเนี้ยมันก็เป็นของที่มันไม่แน่นอนนะมันเราไม่รู้นะเราจะตายวันไหนนะหรือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะเดินได้หรือเปล่าในอีกปีหน้าเลยนะ เราจะหายใจได้เองหรือเปล่าไม่รู้นะปีข้างหน้านะยิ่งพิจารณาแบบนี้นะมันยิ่งรู้สึกว่าอืมมันจะสนุกกินสนุกเที่ยวเหมือนเดิมไม่ได้ละนะมันต้องมามาขยันมาทำความเพียรให้มากนะแม้บางทีชีวิตต้องทำงานอย่างอื่นบ้างแต่ก็แต่ก็ไม่ดื่มที่จะเติมสติเข้าไปในงานอย่างอื่นด้วยนะ เนี่ยแล้วก็มันจะถ้าเราพิจารณาแบบนี้บ่อยๆนะคําว่าขี้เกียจนะมันก็จะน้อยลงนะเพราะว่าให้พิจารณาว่าใกล้จะตายแล้วนะตายวันไหนไม่รู้นะแก่มากแล้วนะยังจะเสียเวลาทําอย่างอื่นอย่าเลยนะบางทีก็เตือนตัวเองด่าตัวเองนิดหน่อยนะิดหน่อยนะอืมมันจะได้ไม่ประมาทนะแม้แต่เป็นพระเองนะก็ต้องเตือนตัวเองนะอืมเรามาบวชนะเราหัวโลน เราขอข้าวชาวบ้านเขากินนะเราจะมาทําอะไรเราทําอะไรอยู่ตอนเนี้ยนะบางทีก็ต้องด่าตัวเองเหมือนกันนะเออมันจะได้รู้สึกว่าเออชีวิตมันจะได้ไม่เลื่อนลอยเกินไปนะไม่ประมาทเกินไปเออแม้ญาโยมเองนะอาจจะมีเงินซื้อข้าวของเองนะแต่จริงถ้าพิจารณาจริงน้มันสมมุติทั้งนั้นเลยนะเออเราซื้อไก่ ในราคาสองรอยบาทสมมุตินนะแต่จริงไก่เขาอยากขายให้เราสองร้อยบาทหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขาก็ไม่ได้เงินได้สำนะ่ะคือไอ้ที่เราคิดว่าเราได้มาในการซื้อแต่จริงมันไม่บางอย่างเขาก็ไม่เต็มใจให้เราจริงๆหรอกนะนั้นเราอย่าได้ประมาทในชีวิตที่เรามีนะเราก็ได้รีบผลขวายในการทำความเพียรนี่นแหละนะทำความเพียรใน ในท่ามกลางการเห็นเห็นกิเลสนะทำความเพียรในท่ามกลางการเห็นความไม่เที่ยงนะความบังคับไม่ได้หรือว่าความเป็นทุกข์ที่มันอยู่ในกายในใจของเราเนี่ยแหละนะมันจะรู้สึกว่าเออยิ่งเห็นตรง น, นั้นมากขึ้นเท่าไหร่นะจิตยิ่งเบื่อนายยิ่งใครกำหนัดนะนะแต่ไม่ใช่แปลว่าไม่มีกำหนัด ไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีความอยากได้นะมีอยู่นะแต่พอเห็นบ่อยๆมันจะลดลงนะมันจะลดลงนะสิ่งที่อยากได้จับยามเนี่ยมันจะละไปได้ง่ายแต่สิ่งที่อยากได้แบบละเอียดมันอาจจะยังมีอยู่นะนะเช่นอาจจะไม่ได้อยากได้ความสนุกสนานแบบทางโลกนะแต่ก็อาจจะอยากได้ความสงบสุขนะในทางธรรม ในชีวิตที่เรียบง่ายเลยไหมนะคือมันก็จะมีความพอใจอยู่นะแต่ความพอใจมันจะปานนี้ขึ้นเรื่อยๆนะนะเราก็มันก็เป็นทางอยู่นะไม่ใช่ว่าผิดนะแต่เราค่อยๆ เ, ออเห็นว่าเออมันยังพอใจแบบนี้อยู่เนาะทำอย่างไรละ่ะที่จะแม้บางทีชีวิตไม่ได้สงบนะแต่ก็อยู่กับมันให้ได้แม้บางทีชีวิตไม่ได้จะมันไม่ได้จะราบเรียบนะ มันมีปัญหาบ้างเออแต่ก็มองว่าเป็นธรรมดามองว่าเออน่แหละเราจะได้ฝึกฝนสตินะมองให้เห็นปัญญาในตรงนั้นให้ได้นะมันก็จะมองชีวิตเป็นแบบนี้ของมันเองนะไม่ได้ตั้งใจจะมองในแง่บวกนะแต่มันจะมีเหมือนสติเป็นตัวให้กำลังใจตัวเราเองนะอืมสติเนะี่ยมันเหมือนบางทีก็บางทีก็รู้ซื่อๆนะ แต่บางทีมันก็ให้กำลังใจตัวเองนะอืมอดทนสักหน่อยนะเออเข้มแข็งสักหน่อยนะหรือว่าบางทีก็ปลอบตัวเองสักหน่อยนะนี่นะบางทีมันก็ให้กำลังใจนะให้เราอยู่กับอยู่กับปัญหาอยู่กับความไม่สงบอยู่กับความไม่สบายกายไม่สบายใจอะไรต่างๆให้มันได้นะหรืออยู่คนเดียวนะมันก็พออยู่ได้นะ อยู่กับคนอื่นอ่ะเขาจะวุ่นวายก็ไม่เป็นไรอยู่คนเดียวอาจจะเงียบหน่อยนะก็ไม่เป็นไรนะมันก็จะอยู่ได้มันก็จะยอมรับความจริงได้นะเราก็ทาความเพียรของเราไปเรื่อยนะอยู่คนเดียวก็อยู่ได้อยู่กับเพื่อนก็อยู่ได้อยู่ในวัดนะก็อยู่ได้ไปอยู่นอกวัดนะก็อยู่ได้นะ ว่าถ้าเรามีสตินะมันเหมือนสะเทินน้ำสะเทินบกนะคืออยู่ที่ไหนก็ได้แต่แน่นอนะมันก็อาจจะมีที่ตรงนี้มันสัปปะยะกว่านะที่ข้างนอกก็อาจจะไม่สัปปยะเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่ใช่แปลว่ามันจะอยู่ไม่ได้หรือฝึกฝนตัวเองไม่ได้นะก็ฝึกฝนตัวเองได้ถ้าเราตั้งใจจริงนะแต่ถ้าเราหาข้ออ้างนะโอ้มันจะไม่อยาก มันอยากจะหนีมันมันจะรู้สึกว่ามันทุกเกินไปนั่นนี่เกินไปนะแต่ถ้ามีสตินะมันจะพยายามที่จะอยู่ให้ได้พยายามที่จะฝึกฝนตัวเองให้ได้แม้สภาวะมันอาจจะไม่เอื้อเท่าไหร่นะแต่ยิ่งถ้าเราฝึกแบบนั้นบ่อยๆนะยิ่งเข้มแข็งนะยิ่งรู้สึกว่าเออถ้าเราผ่านสิ่งที่ยากลำบากได้นะต่อไปอยู่ที่สบายนะโอ้ยิ่ง ยิ่งสบายเลยนะยิ่งอยู่ที่ที่ที่ที่มันเรียกว่าไม่ค่อยมีปัญหายิ่งสบายเลยเพราะเคยผ่านสิ่งที่ยากได้แล้วนะมาเจอสิ่งที่ง่ายก็เลยโม่หมูนะแต่ก็อย่าประมาทนะอย่าประมาทเพราะว่าบางทีร่างกายมันก็ไม่แน่นอนเนาะนะเพระนั้นเราก็ใช้ร่างกายให้มันคุ้มค่าเนะาะเยวเดี๋ยวได้เสียเวลาไปเนาะนะนะ เพราะวเวลาเนะี่มเราจะใช้หรือไม่ใช้นะมันก็หมดไปเหมือนกันนะคือเราจะใช้ทิ้งใช้คว้างนะมันก็หมดไปแบบทิ้งคว้างเราจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะมันก็มีคุณค่ามากนะนั้นบันเวลาที่เราเหลือก็ให้เราได้มันทำความเพียรเนาะนะมันเจริญสติแบบนี้แหละนะทำไปเรื่อยๆนะ เอามาก็ตั้งใจว่าทำไปจนถึงวันตายนั่นแหละนะอืมอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะทำจนถึงวันตายนะจะได้อะไรไม่ได้อะไรไม่เป็นไรนะแต่สิ่งที่เราได้จริงๆคือเราได้ทำได้ทำเหตุนะที่ดีเอามาว่าการได้ทำนี่นแหละก็คือเหมือนเราก็มีทำทอทงมาด้วยนะเพราะศาสนาพูดจริงๆเน้น เน้นการกระทำเนอ ะ, ะไม่ใช่เน้นไปอ้อนบอลขอผลให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้นะเมื่อเราได้ได้กระทำเหตุที่ถูกนะมันก็จะทำให้เกิดผลที่ถูกนะทำเหตุให้มันไม่ทุกนะผลก็คือความไม่ทุกนะไม่ต้องไปรอผลที่ข้างนอกนะนะเราก็พยายามเราทำนะบ่อยๆนะทำบ่อยๆทาเมบ่อยนะ มันก็จะรู้สึกว่าเออเมื่อถึงวันตายเนาะมันก็รู้สึกเออก็ได้ทํามาเยอะแล้วลนะนะตายซะบ้างก็ไม่เป็นไรนะอืมเอะเกิดใหม่ก็ไม่เป็นไรเกิดใหม่ก็คงไปทําต่อนะเนี่ยก็คิดไปแบบนี้นะมันก็ไม่เป็นไรนะก็แตชีวิตนี้ก็ทํามาเยอะแล้วนะมันชีวิตนี้มันร่างกายไม่ไหวก็ไม่จบกิจก็ไปทําต่อชาติหน้านะ คือบางทีนับปฏิบัตินะ่ะบางทีจะบางทีมุ่งที่จะมุ่งที่จะแบบเอาให้ได้เกินไปนะมันก็จะเครียดนะแต่ถ้ามุ่งคิดว่าก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้นะแต่มันจะได้มรคผลขนาดไหนก็เรื่องของมันนะแต่ถ้าตั้งใจว่าเราจะทําไปถ้าถ้าใจเด็ดจริงๆนะตั้งใจว่าจะทําไปทุกภพทุกชาติอนะ่ะเออ คือชาตินี้ก็ทําให้มันเต็มที่นะไม่จบกิจชาตินี้ก็ไปทำพบชาติหน้าเนะ่ยวางใจแบบนี้ไปเลยนะมันจะได้ไม่รู้ไม่รู้สึกว่าแบบต้องเร่งทําน ะ, อะไอมาพบผู้ปฏิบัติธรรมบางคนแบบฉันจะให้เวลาตัวเองเต็มที่เลยสามปีนะจะมาวัดมาคอร์สมาปฏิบัติธรรมเต็มที่นะคลา้คลายเขาคิดว่าทำสามปีเนะ่ยมันจะได้แบบ ได้อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วต่อไปหลังจากสามปีนะั้นไม่ต้องทำละจะได้กินได้เที่ยวได้ใช้ชีวิตปกติธรรมดานะมาเห็นหลายคนเป็นแบบนี้ให้เวลาบวชเจ็ดปีเลยนะเพราะพระเจ้าบอกเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนะต้องได้อะไรสักอย่างนะบวชเจ็ดปีเลยนะแต่พอครบเจ็ดปีแล้วก็ <c oughs> จะรู้สึกว่าตังไม่ค่อยได้อะไรนะสัวเองก็จะศึกนะ ศึกไปใช้ชีวิตธรรมดาแต่จริงการศึกก็ไม่ใช่แปลว่ามันทําไม่ได้นะแต่คือว่าแต่เขาคิดว่าเอาเวลามากําหนดตัวเองนะเพราะคิดว่าถ้าทําเต็มที่แบบนี้แล้วต่อไปจะต้องไม่ต้องทำํำละจะได้สบายละจะได้แบบเออไปทําอย่างอื่นบ้างนะอันนั้นเราคิดว่าเหมือนเราทําปฏิบัติธทำแล้วมันให้มันเสร็ จ, รจให้มันจบจบไปจะได้ไปทําอย่างอื่น อันนั้นใจเราไม่ได้ชอบการปฏิบัติธรรมจริงๆนะแต่ถ้าใจเราแบบอืมยอมรับแล้วก็ชอบว่าเออทางเนี้ยเป็นทางที่มีคุณค่าทางที่ดีนะมันไม่ต้องมีกําหนดเวลาหรอกนะเอาทั้งชีวิตนั่นแหละนะหรือชีวิตนี้ไม่พอก็เอาทั้งเอาชาติหน้าต่อนั่นแหละนะแต่งานอย่างอื่นก็เป็นงานรองนะก็ทําบ้างนะแต่งานปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นงานหลักนะ แล้วก็ไอ้มาก็อยากจะหาเพื่อนแบบนี้นะเอาโยมเป็นเพื่อนบ้างเอาพระเป็นเพื่อนบ้างเอาแม่ชีเป็นเพื่อนบ้างถ้าถ้ามาทางนี้ด้วยกันก็ก็ถือเป็นเพื่อนกันนะถ้ามาอีกก็ภาวณานะถ้าจะมาบลุดไปจาทางนี้นะก็เตือนได้นะอืมก็เตือนได้เออพระอาจารย์ประมาทเกินไปแล้วนะก็บอกได้ออืมอืมม เดี๋ยวจะไปคนละทางกันนะ ก, ก็บอกได้นะอะก็พอสมควรกะเวลาเนาะ